บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในวันก่อนนั้นได้กล่าวถึงพระพุทธดำ ร, รัสที่รับสั่งแก่อุทยะมโนพว่าพรองค์จะทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ทำให้บุคคลเข้าถึงอัญญาพิโมะ แต่ว่าท่านอุทยมนพก็เกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสามารถที่จะชี้แจงเรื่องอัญญาวิโมกคืออรหัตผลให้ท่านได้ท่านจึงได้เริ่มกราบทูลถามไปโดยลำดับว่าโลกถูกอะไรปูกมัดเอาไว้โลกแล่นไปในอะไร ที่พระองค์กล่าวว่านิพพานนั้นประดับอะไรเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าโลกถูกนันีิคือความเพลิดเพลินประกอบเอาไว้หรือผูกมัดเอาไว้โลกแล่นไปโดยอำนาจของวิตกที่เรากล่าวว่ า, น, านิพพานประดับตัญหาเสียได้ พระพุทธนาํหรักที่จัดตอบนี้ถ้าเรามองในรูปของฉันทางภาษาบาลีก็จะรู้สึกศรัทธาเลื่มใสในพระปรีชาญาณที่เกี่ยวกับนิรุตติศาสตร์คือท่านผู้ถามได้คิดคำถามมาก่อนกระท้องจำเอาไว้และมากราบทูลถามเป็นรูปฉันเวลาพระพุทธเจ้าจัดตอบ ปรงใช้ฉันในลักษณะเดียวกันและใช้ถ้อยคำเท่ากันนันเป็นการแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพิทาญาณของพระพุทธเจ้าในส่วนของนิรุตติปฏิสัมพิทาคือปัญญาที่แตกฉานในเรื่องของภาษาการตอบคำถามในลักษณะนี้เป็นการกำรับความคิดที่กระด้างด้วยมานะของบุคคลลงไปทาให ใจิตใจของบุคคลผู้ฟังมีความอ่อนโยนพร้อมที่จะฟังธรรมะได้สุดา้ายที่บายในพระพุทธดัารัตที่สัตว์ไว้เป็นสาข้อนั้นในข้อแรกทรงใช้คำบาลีว่านันดิสัญโยชโนคือสัตว์โลกนั้นถูกนันีิคือความเพลิดเพลินผูกมัดเอาไว้หรือว่าครอบงำไว้ เรืออาจาจะใช้คำว่าจึงเอาไว้ก็ได้พระพุทธํรรัดในข้อ น, นี้พึงสังเกตว่าคำถามนั้นคล้ายๆกับที่ทานาชิบานพถามในตอนแรกซึ่งได้กล่าวมานานแล้วว่าทานาชิมานพถามว่าโลกคือมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดแต่นี้ก็เปลี่ยนคำถามเพียงว่าโลกถูกอะไรผูกมัดเอาไว้ ได้รครอบงำไว้ตอนั้นลักษณะของจิตที่ปิดปิดบังคือถูกปิดบังกับถูกผูกมัดไว้ในลักษณะอาการที่ไม่เหมือนกันแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปิดบังกับสิ่งที่ผูกมัดไว้เราก็ทําให้คนสูญเสียอิสรภาพด้วยกันพระพุทธละมั่นรัสที่จัดตอบแก่ชิดมานพได้ทรงเล่นไปที่อวิชชา ปิดบังโลกเอาไว้แต่ในที่นี้ทรงเน้นไปที่นันทิซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งของอภิชาเป็นรูปของกิเลสประเภทโลภะหรือราคะที่มีลักษณะกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในวัตถุทั้งหลายเป็นพุทธดำรัสที่รัสลึกลงไปให้บุคคลวิเคราะห์ตรวจสอบที่จิตใจ เป็นการแสดงโดยในยะหนึ่งคือเน้นไปที่สมุทยัทยสัตว์ซึ่งในชั้นของการศึกษาการทำความเข้าใจนั้นไม่ควรจะติดอยู่ว่าจะต้องแสดงอย่างนี้เสมอไปสำหรับคนดทั่วไปก็จะทรงแสดงระดับของรูปเสียงกลิ่นรสผลิ ภ, ภัซึ่งเป็นตัววัตถุกรมก็ได้ว่าเป็นที่ผูกมัด ร, รัดรึงผุคคลเอาไว้ เช่นแสดงแก่คนที่ประสบปัญหาในเรื่องของชีวิตโดยการพลัดพรากก็จะแสดงโดยนายะหนึ่งเช่นแสดงประรบนางปตาจาราซึ่งมีปัญหาระดับพื้นฐานของสังคมประสงค์แสดงว่าบุคคลเมื่อประสบภัยคือความตายมารดาก็ไม่เป็นที่ป้องกันได้ปัญญาสามีก็ป้องกันไม่ได้ บุตริดาก็ป้องกันไม่ได้แม้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ป้องกันไม่ได้นี่ก็หมายความว่าในชั้นที่เป็นความเพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบุตริดาทรัพย์ญาติมิตรฐานะตําแหน่งหนะ้าที่การงานต่างๆที่ท่านสรุปรวมเป็นวัตถุกรรมก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินก็เป็นนันที่ประกันหนึ่งแต่นั้นคือการแสดงในรูปของ ผลที่ต่อเนื่องมาจากกิเลสที่ประกอบด้วยนันทิเพราะความเพลิดเพลินในวัตถุกรรมเหล่านั้นถ้าหากว่าใจเราไม่ไปกำหนดว่าเป็นของเราเป็นพวกเราหรือนาใคร่นาปรารถนานาขอใจแล้วความเพลิดเพลิพนก็ไม่เกิดขึ้นแต่พอถึงชั้นนี้เป็นการสาวลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะผู้ถามมุ่งต่ออัญญาวิโมกเปือการบรรลุมรรคผลสูงสุด ถึงเป็นการชี้เห็นถึงโวหารและเทศนาคือความฉลาดในโวหารของพระพุทธเจ้าเป็นแสดงถึงปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาคือทรงมีปฏิภาณในการที่จะโต้อตอบชี้แจงปัญหาให้เหมาะสมสอบครองแก่พื้นอัธยาศัยของผู้ฟังลักษณะของนั้นท่คือความเพลิดเพลินนั่นตัวของความรู้สึกเองเป็นเรื่องของกิเลสกรร แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นเรื่องของวัตถุกรรมทั้งหลายซึ่งก็ไม่อื่นไปจากสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกลิมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ทนำมาเหนียวนึกด้วยใจแล้วก็มีอยู่เพียงสองประเภทเท่านั้นเองแต่จะพูดประเภทแรกหรือจะพูดประเภทที่สองก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังแต่อย่าลืมว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วกําหนดมองเห็นโทษของวัตถุกรรม มันก็สลายกิเลสกรมได้หรือเพียงพยายามละกิเลสกรรมมันก็ผ่อนคลายบรนเทาลดละระงับดับความผูกพันในวัตถุกรรมลงไปได้เพราะมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคล้ายๆกับว่าเราดับไฟมันก็ลดความร้อนได้หรือไม่ใส่เชื้อไฟเข้าไปมันก็ลดความร้อนได้ พิธิการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นนี้เสิ็ทั้งหมดจึงเป็นโบหารในการเทศต้องการให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอาจจะใช้วิธีนี้รู้สึกจะไม่ถนัดก็ใช้วิธีอื่นแต่วแต่โดยนัยะแล้วจะมีการกระทบกระเทือนถึงการทั้งด้านบวกและด้านลบกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความเพลิดเพลินนั้นเช่นพวกตัณหาพวกความยินดีพวกความกำหนัด พวกความโลภพวกความเพ่งเล็งอยากได้ต่างๆจะมีลักษณะเพื่อเพลิ่นไปก่อให้เกิดเป็นความสนุกสนานโลกก็วุ่นวายอยู่ในแวดวงของอารมณ์เหล่านั้นซึ่งข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงสภาพจิตของคนที่อยู่ในโลกพรามีลักษณะแตกต่างกันแต่ก่อนอื่นพึงเข้าใจว่า แต่คำว่าโลกในความหมายที่ถามนั้นเน้นไปที่สั ต, ตว์โลกโลกคือหมูสัตว์ซึ่งมีจิตใจเที่ยวก็มีกิเลสแต่ว่าโลกในที่บางแห่งมีความหมายกว้างกว่านั้นเช็นทรงสแสดงว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชจรดที่พวกคนเขาค้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค้องอยู่ไม่โลกในที่นี้เน้นไปที่วัตถุ ก, กรร มากกว่าจะเน้นไปที่ตัวกิเลสกรรมซึ่หมายความมาโลกมันก็มีอยู่อย่างปกติธรรมดาอาจจะหมายถึงตัวสัตว์ตัวโลกโลกคือหมูสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโลกแล้วก็หมายถึงโอกาสสโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความวิจิตงดงามจนมีการท่องเที่ยวเพื่อไปดูสถานที่ต่างๆแ น, นการเชื่อเห็นถึงว่า ภายในจิตใจของบุคคลมองเห็นความสวยงามความมิจิตของโลกเหล่านั้นลงทุนเสียเงินเสียทองเสียเวลาเ็เหนื่อยเสี่ยงภัยอันตรายเพื่อไปดูสถานที่นั้นๆ น, น, นั้นก็คือเรื่องของสัตว์โลกที่ถูกนันที่คือความเพลิดเพลิ น, นผูกมัดเอาไว้นั่นเองจอบังคับใจให้สายไปอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากริมอยากถูกต้องสิ่งต่างๆที่ใจของตนไปยอมรับ ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าไม่รู้คือไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นแต่นั้นก็คือระดับของโลกระดับของสัตว์โลกทั่วไปที่มีลักษณะดังที่ทรงสแสดงเอาไว้ว่ามีนันทิผูกมัดเอาไว้หรือครอบงำไว้แต่ทรงสแสดงในช่วงหลังว่า แต่ผู้รู้หาคลองอยู่ไม่ต่หมายความว่าความไม่คล่องนั้นความคล่องหรือความไม่ข้องนั้นขึ้นอยู่กับรู้หรือไม่รู้คือถ้าเรารู้เราก็ไม่คล่องไม่ติดในสิ่งนั้นแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ใจก็ยังคล่องอยังติดอยู่ในสิ่งนั้นข้อนี้พึงสังเกตว่าที่จริงเราก็สัมผัสผ ล, ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้ความไม่รู้ในระดับต่างๆอยู่เสมอ อะไรก็ตามที่เรารู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นได้ก็ลดละบรรเทาความรู้สึกรุนแรงในสิ่งนั้นๆลงไปได้เชนไปเจอคนเออะอาวาดดาทชี้หน้ามาเพราะไม่รู้เขาเป็นอะไรก็อาจจะโกรธในตอนแรกได้แต่พอรู้ในตอนหลังว่าคนนั้นเป็นคนบ้าก็ยินด่าอยู่ทุกวัน ความโกรธมันก็หายไปได้นี่ก็หมายความว่าตัวความรู้และความไม่รู้นั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในจิตคนอยู่เสมอจะทาให้คล่องให้ติดก็ได้ไม่คล่องไม่ติดก็ได้แตบ่บางครั้งในระดับหนึ่งในวัยหนึ่งในอารมณ์หนึ่งอาจจะคล่องจะติดแต่พอวัยเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปก็ความ่ายถอนความคล่องความติดในอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้ ในสมัยเป็นเด็กก็เพลิดเพลินสนุกสนานแบบเด็กเคยอข้องติดแบบเด็กแต่พอเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นวินโยชนขึ้นมามีความรู้ความเข้าใจเหตุผลมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เคยข้องเคยติดเคยยื้อแย่งเคยร้องไห้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นในสมัยที่เป็นเด็กมันก็ค่อยจางๆลงไปแต่บางอย่างก็หายขาดไปเลยแต่นั้นเรื่องของความรู้ความไม่รู้จึง มีทีพผลต่อจิตใจของบุคคลมาโดยตลอดปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขกับความทุกข์มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับรู้มากหรื อ, อรู้น้อยแต่รู้น้อยทุกข์มันก็มากแต่รู้มากทุกข์มันก็น้อยทาไมรู้มากทุกข์มันก็มากทาไมรู้น้อยทุกข์มันก็น้อยความรู้กับความไม่รู้จึงเกี่ยวข้องกับพวกเวทนาของเรา บางคนสวยสุขเวทนาอยู่ได้ น, น, นานๆบางคนก็มีทุกขเวทนาอยู่ได้ น, น, นานๆท่า น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความรู้หรือความไม่รู้นั่นเองคราวนี้พึงดูตัวอย่างแม้ในเรื่องทั่ ว, วไปจังหวะการพลาจาก่ประชาชนคนที่รักจะในรูปอะไรก็ตามในรูปของการจากไปชกครั้งชกคราวในรูปของการพลาดจากไป เลิกร้างกันไปตลอดถึงในรูปที่ตายจากไปก็ตามถ้าบุคคลไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นวันนี้คือกฎธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้เองความทุกข์ก็จะท่วมทับจิตใจอยู่ปีชน ن คนที่รักตายไปเป็นสิบสิปีแล้วยังนึกร้องไห้อยู่แต่ถ้าความรู้เกิดอย่างขึ้นภายในจิตใจ ยอมรับความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาวันนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คนที่เคยทุกข์เพราะการพลาดพลาดนั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะเราจึงไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องเป็นเราแต่แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างนี้เอง อย่างพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ถึงความพ ร, ราพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนในรูปแบบใดก็ตด้แล้วบุคคลต้องร้องไห้เสียใจยไปเพราะการพลาดลาดเป็นเหตุนั้นถ้าจะนับตลอดสังสารวัฏอันยาวนานน้ําตาที่ร้องไห้เสียใจยไปเพราะการพ ร, ราลาดนั้นจะมีมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรด้วยซ้าไป เดี๋ยวสมมติว่าน้ำตาไม่แห้งไปแล้วชีวิตของเราที่หมุนบนอยู่ในสังสารวัฏประสบสุขทุกประการพระดพากเป็นเหตุนั้นถ้าว่ากระดูกไม่ได้เปือยหน้าผุพังไปคือตายชาติใดกระดูกก็ยังเหลืออยู่พร้อมมันจะใหญ่ป่าภูเขาเวปุระบันพุทธที่ล้อมรอบกรุงกับกรุงราชชุ้นสี่ มีเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเกิดรู้ความจริงในช่วงใดช่วงหนึ่งกลับไปแก้ในช่วงของความเพลิดเพลินที่สงชาติกรรมนันทิเพราความเพลิดเพลินในตัววัตถุกรรมด้วยอานาจของกิเลสกาบนั้นถ้าบุคคลมองเห็นถึงความจริงแล้วว่าสิ่งเยงนี้จะเพลิดเพลินไปอย่างไงก็ท่านั้นเอง จะควยคว้าปรารถนาถือครองครอบงำเอาไว้มากมายอย่างไรแต่ในที่สุดเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปหรือสิ่งเหล่านั้นต้องทิ้งเราไปความวามัวมอมประมาทในไในชีวิตในความไม่มีโรคของบุคคลก็จะลดละบรรเทาลงไปได้อย่างที่รับสั่งแสดงแก่กลุ่มอุบาสิกากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสหายของนางวิสาขา ในวันเทศกาลมีความเพลิดเพลินสนุกสนานต่มาฉลองเทศกาลกันโดยการนำเหล้าพกติดตัวมาแล้วก็นั่งดื่มเหล้าในขณะที่ฟังเทศอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพอดื่มก็ไ ป, ไปบ่อยๆเข้าอาการวิปปิษก็ออกมาทั้งทางกายทั้งทางวิ จ, จารพระเจ้าทรงเห็นอาการเช่นนั้น ทรงบรนดานด้วยพุท ธ, ธานุภาพให้เกิดความมืดขึ้นเพื่อให้เธอตกใจกันจะได้สติไม่ได้สติแล้วก็ทรงให้เกิดแสงสว่างส่องมาที่ท่านเหล่านั้นแล้วสั่งกระตุ้นเตือนว่าพวกเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริอ ง, เรองอะไรกันในมโลคนั้นลุกโผร่อยู่เป็นนิดเธอที่ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว ทำไมจึงไม่หาประที่เป็นเครื่องสองทางข้อนี้จะพบว่าทำไมจึงใช้คําว่าลุกโพรงและทําไมจึงใช้คําว่ามืดแต่จริงมืดกับลุ ก, ลกโพรงนั้นเป็นคนละเรื่องกันมืดก็หมายความไม่ลุกโพรงลุกโพรงก็ไม่ก็หมายความมาไม่มืดคือ ม, มีมีความสว่างแต่ในที่นี้เป็นการแสดงถึงจิตของบุคคลที่ลุกโพรงอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสทั้งหลาย เก่าวโดยสรุปก็คือไฟสามกองที่เราพูดกันโดยทั่วไปแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเราดับพื้นฐานทั่วไปนั้นเราก็ไม่ได้พูดเฉพาะไฟสามกองเสมอไปอย่างที่ทรงแสดงในอธิปยายยสูตรไปเน้นไปที่ไฟกิเลสสามกองไฟทุกข์อีกแดกองเพราะมีลักษณะแผดเผาก่อให้เกิดความเร้าร้อนไปด้วยประการต่างๆ ไฟคือกิเลสนั้นเนื่องจากแสดงในคราวนั้นเป็นการแสดงแก่นักบวชหรือเป็นพระอยู่แล้วก็สงใช้คําคว่าราคักขิโทสัคขิโมคขิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแต่ในแง่ของการทําความเข้าใจถึงสภาวธรรมนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าราคักขินั้นก็คือโลภะนั่นเองคือโลภะคือตันหาคือความยินดีความกําหนัดความเพลิดเพลินความระึงลงในด้านต่างๆ เป็นลักษณะของกิเลสประเภทโลภะแต่อย่าลืมว่ามีเชื้อสายมาจากโมฆะเพราะบางทีเพลิดเพลินจนหลงลืมการเวลาบางครั้งอาจจะเพลิดเพลินอยู่ในรายการเช่นอาจจะเพลิดเพลินอยู่ในรายการโทรทัศน์จนลืมทํางานเพลิดเพลินในการคุยกันจนลืมปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือว่าเด็กเพลิดเพลินไปดู ภาพยนตร์จนลืมทําการบ้านเป็นตนคือเพลิดเพลินจนเข้าไปในกลุ่มของโมหะชัดเจนมากกิ่งขึ้ น, นเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันทโทสักขีก็คือกิเลสสายโทสะมวคิก็คือกิเลสาาเสายโมหะแล้วนอกนั้นก็อย่างเน้นไปที่ชาติความเกิดชราความแก่มรรณะความตายความสุขความร่ำรวยร่รำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจ ทรงแสดงว่าของร้อนทั้งหมดนี่เพิ่งสังเกตว่าในความลุกโรงในที่นี้หมายถึงลุกโรงด้วยเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งมีการแผดเผาจิตใจของบุคคลให้เกิดความเร่าร้อนมันก็เป็นอาการของนันชินั่นเองแต่ว่ามาในรูปของความเพลิดเพลิน เราจะเห็นว่าอาการกนันทิความเิมเพลินนั้นบางคนเพลิดเพินจนเกิดอุบัติเหตุจนตายจนเรือล่มไปหรือว่าบางทีก็จนรถคว่ำไปต่างๆเป็นต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทอนให้เห็นในเชิงที่เป็นรู ป, ปรธรรมว่าพวกกิเลสที่ครอบงำใจคนหรือผูกมัดจิตใจคนในรูปข้อนันทินั้นจะมีสายระยงระยางที่เกี่ยวเนื่องกันในลักษณะนี้ ท่นไปเจอโวหารในการเทศได้ทรงแสดงไว้โดยในยะอะไรก็ตามลองมานศสิการดูพินิษฐพิจารณานดูก็จะพบว่านี้ทรงแสดงในชั้นหยาบนี่ทร ง, งแสดงในชั้นกลางนี้ทรงแสดงในชั้นละเอียดแล้วนี้ทรงแสดงในชงเจิงเหตุหรือในเชิงผลอย่างเพลิงกิเลสสมกองกับเพลิงทุกแปดกองนั้นจะเห็นว่าแสดงทั้งเจิงเหตุและเชิงผล แต่ในเชิงของความคิดความเข้าใจนั้นบุคคลจะมองไปได้ถึงแม้แม้ถึงผู้ฟังในกรณีเหล่านั้นว่าผู้ความมีวาสนาบา ร, รมีไม่แก่กราบเหมือนผู้พระปัญจวัคคีย์จึงต้องใช้สิ่งที่เป็นผลมาจากกิเลสว่าเป็นไฟด้วยเพราะใดเพราะว่าแท้จริงแล้วพวกนี้ดูง่ายกว่าดูกิเลสสาหรับคนทั่ ว, วไป อาจจะพูดถึงชาติชรามรณะด้วยความโศกความร่ำรวยอาจจะพูดถึงความโศกอย่างเดียวได้หรือทงไปมองแล้วเข้าใจง่ายเห็นได้ชัดเจนว่ามีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและทางจิตเพราะความโศกเกิดขึ้นรุ้มรุมใจแต่ถ้าสืบสาวลงไปพราะความโศกมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอวิชชาคือถ้าคนมีความรู้ก็ไม่ไปเพลิดเพลินในสิ่งที่ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเมื่อไม่เพลิดเพลินบาสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่โศกเมื่อจิตใจไม่โศกก็ไม่ประสบ ค, ความทุกข์นี่คือการมองในลักษณะที่ต่อเนื่องไปลักษณะของใจที่ไม่รู้นั่นเองพอในช่วงทิศะที่สองก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายอเมือ่อถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้เป็นการพูดเจาะลึกลงไปว่า การกระทำทั้งหมดที่ออกมาเป็นรูปธรรมในความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นเกิดจากโมกเกิดจากโมหะหรือเกิดจากกิชฉาความไม่รู้ก็ควรจะหาประชีพคือปัญญาเป็นเครื่องสอกทางเรานี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของโภหารที่ส่งชี้ถึงสภาพของโลกแล้วก็เน้นไปที่สัตว์ปรโลกซึ่งมีใจครองก็เน้นไปที่สังขารซึ่งมีใจครอง เพราะเป็นการกล่าวถึงกิเลสดังนั้นบุคคลก็จะกลับมาวิเคราะห์ดูใจของตนเองว่าใจนั้นได้ถูกผูกมัดรึงรัดเอาไว้ด้วยหน้าของความเพลิดเพลินและจะมองสรุปสิ่งที่เพลิดเพลินแม้จะทรงจำแนกแสดงออกไปหลายอย่างก็ตามแต่พอสืบสาวมาถึง ปัจจัยที่ให้เกิดความเพลิดเพลินนั้นคือเกิดจากความรู้สึกว่าของเราใครก็ตามมีความรู้สึกว่าของเรามากๆก็จะมีความเพลิดเพลินในของเรานั่นก็ของเรานี้ก็ของเราแล้เพลิดเพลินด้วยความเป็นคือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าตนได้เป็นจนบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่น่าสลด คือเป็นจนมืดไปหมดขอให้เพียงแต่ได้เป็นมีงานมีการอะไรวัดวามีงานอะไรใครมีงานที่ไหนตัวเองจะต้องได้เป็นอยู่ด้วยต้องมีชื่อตัวเองอยู่ด้วยแมื่เป็นแล้วก็ไม่ได้คิดจะจะทำงานอะไรแต่บันเพลินกับความเป็นเพาะนคนบางค น, างคนอาจจะเป็นกรรมการเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยคณะแล้วตัวเองก็ลืมเลยทั้งไปว่าเป็นอะไรมาบ้าง แต่ในขณะที่ได้รับรู้ว่าได้เป็นนั้นมันมีความเพลิดรู้สึกว่าอัตตาตัวเองได้ใหญ่ขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้ น, นแลวเสร็จแล้วก็ลืมค่ อ, อยคว้าความเป็นต่อไปรรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราที่พระเจ้าก็มาเน้นไปที่ตัณหามาณทิจฐินั้นแสดงว่าเป็นการพูดถึงรากที่เป็นเหตุได้เกิดความเพลิดเพลินนั้นว่าที่จริงมันก็มาจากตัณหามาณทิฐิ ซึ่งเป็นโบหารอย่างเดียวกันกับนันทิคือความเพลิดเ พ, เพลินเก่าวแล้วในเชิงก็การปฏิบัติทรงสอนให้มองสิ่งที่เพลิดเพลินว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินอย่างแท้จริงในชั้นก้องความเป็นมายาบ้างในชั้นก้องความไม่สวยไม่ ง, งามบ้างในชั้นก้องความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนบ้างในชั้นก้องความไม่คงทนบ้างในชั้นก้องความแตกสลายไปเป็นต้นบ้าง ก็แล้วแต่ว่าจะสามารถมองเห็นในชั้นไหนเอาสมมติว่าอาจจะมองเห็นในแง่ของความเปลี่ยนแปลงในแง่ของความพลัดพรากเพียงจุดเดียวเท่านั้นเองมันก็จะลดความเพลิดเพลินไปได้ทํานองที่ยอมรับเครื่องใช้หรือรถหรืออะไรก็ตามว่าเป็นของฝากหรือเป็นของที่เราจืบมา ความเพลิดเพลิน อ, อาจจะมีแต่จะมีอย่างจํากัดเวลาไว้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่กับความเพลิดเพลิพนนั้นคือความห่วงใยกังวลกลัวของที่เขาฝากไว้จะหายกลัวสิ่งนี้จะเป็นอันตรายไปแล้วก็กลัวว่าเจ้าของเข้ามาถ่วงคืนนี่คือสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ นั้นความเพลิดเพนจึงปรากฏตัวไม่ไมเด่นชัดในช่วงระยะเวลาสัน้นดังนั้นบางครั้งการสั่งสอนในแนวเอาพวกวัตถุการามมาพูดพระเจ้าจึงมักสอนให้มองในแนวของของยืมเป็นของชั่วคราวเป็นของยืมมาใช้จึงอุปมาพวกวัตถุกรรมเหมือนกับผลไม้ถึงจะเพราะว่าผลไม้นั้นไปเดี๋ยวก็เดา พันเมื่อเตรียมยอมรับว่าประเดี๋ยวมันจะเน่าอีกไม่กี่วันจะเน่าจะใช้อะไรก็ใช้ถ้าไม่ใช้มันก็เน่า ว, วัตถุกรรมทั้งหลายมีลักษณะอย่างนั้นแต่ก็บีบการเอาสิ่งที่ใกล้ๆมาดูให้สั้นเขา่ทาทั้นนี้ทั้นนั้นก็เพื่อจะบรรเทาความกาหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในวัตถุกรรมนั่นเอง ถ้าบรรเทาความกำหนัดเรื่อหน้าความเริดเลินได้แล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงมเหมือนกับการเตรียมใจยอมรับว่าของนียืมเข้ามาพอถึงเวลาคืนก็คืนความทุกข์เกี่ยวกับการพลาดพลากก็จะน้อยลงหรือว่าเป็นของฝากเอาไว้เมื่อเจ้าของเข้ามารับคืนความทุกข์ที่เกี่ยวกับของฝากนั้นก็จะหายไป ในช่วงที่จะสวยทุกพิตกุกังวลอยู่ก็จะมีน้อยเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นแม้ในอวัยวะร่างกายของเราอันเป็นที่ตั้งของความขนาดเพลิดเพลินนั้นแท้ที่จริงแล้วก็มีคนเข้ามาทวงอยู่ด้วยและบางอย่างเขาก็เอาคืนไปแล้วจิตใจของบุคคลก็จะปร่งตกยอมรับได้ เป็นการผ่อนคลายความเพลิดเพลินลงไปความโศกเป็นต้นที่จะติดตามมาเพราะการพลัดพรากก็จะเจจางวบาบางลงไปได้โดยดัดั่แต่แม้แต่ตัวกิเลสเองก็จะเบาลงไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุข